โลกรับทรงหลายสําหรับตอนนี้ I three heinous living in one of Soth แล้วก็มีบ้านของน้องๆใหญ่ สมพิตรได้ส่งลูกสาวแล้วก็นํา ก็จัดงานทุกอย่าง บ้านคุณป้าเสงี่ยมมี อาหารทุกอย่างไม่บริบูรณ์สมบูรณ์ ว่าแล่นคลื่นนี่ผมก็ชอบรู้จัก ท่านเมื่อมองดูตัวของเราเป็นว่าถ้า มันก็ร่างกายของเราร่างกายของเราทั้งหมดล่ม ไอ้คายกำลังใจเป็นเครื่องคํา ก็มาคิดถึงๆที่ลูก แล้วก็ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติมามันก็ 2 3 ก็ว่าปีนี้ซื้อข้าวสาร เรื่องสีเพื่อนนี้ 65% แต่ 40% ทั้งปลายและลำเค้าก็ 25% ก็เข้าของ 200,000 บาท เย็นนั้นจึงได้ตัดสินใจซื้อเครื่อง แต่ว่าข่าว 1 เควียนถ้าเราแต ว่าจะมีความสุขความสบาย ไม่ว่าเรารู้ความลับพ่อเคย แต่ว่าทางสั้นนิดเดียวว่าทางสั้นนิดเดียวหน้าสินแต 508 แต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีๆ แต่ว่าไม่มีใครคิดว่าจะนําทางน้ํา แล้วก็จะจ่ายไปๆนานาไปไปมาๆ อันอินทจักรก็ย่องมาข้างหลังเพราะว่าสอย แต่กว้างพอที่จะ 4 บุรีก็เป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งมี ก็มีว่าทอง 10 ตันอันว่า ที่ต้องมีความหลังจากชมดีเรื่องนี้ ท่านเจ้าคุณมสุสิงหนาถกับ ที่นําไปแจกทหารตํารวจและประชา แล้วทุกคนมาก็ในความระเบียบเรียบร้อยเป็นอันดีว่าๆ ขึ้นหลังนี้รู้สึกว่าบาทสมเด็จพระเจ้า ยังจําไปจังหวัดกระบีได้ว่าเสร็จเท่าไหร่ ไม่มีบุคคลใดทําทําให้ ต้อนรับเสมอนี่แหละ เมื่อเด็กไม่เป็นคนผู้ รักษาไว้ด้วยดีอย่าให้ความ เพราะว่าท่านเจ้าสบาย 17 เมษายน 2521 เดินทางรอโรงแรมกันมา รถด้วยเจ้านี่ 20 20ๆ11 คน 11 11 คน เยวรบเจ้ากลองอยู่แต่การดะหันบก 1 คัน 2 คัน 5 คน 10 คน รถคันนี้คันเดียวได้ 11 กบดีพบท่านหม่อมหลวงวรวัฒน์ผู้หน่วยการลง เอาไปบริโภคอาหารปรากฏว่าใน เพื่อนนั้นแต่ก็เห็นว่าจะเป็นร้านที่ดีที่สุดอาหารวันนั้นบริโภคกันอร่อยเมื่อ ตอนแม่จะมาลูกมาเดินข้าม นานๆจะมีสักคันธรรมยะต้องไปตัดหน่ารถคนประเภทนี้ถ้าเค้าตาย บอกก่อนผู้จะทําอะไรก็ตามให้ใคร มีความเคารพในองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า No, no, no, so